ข็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่ายแต่ลมประพธิยาในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบปรมีในแง่มุมต่างๆต่ตตตอไปในชุดต่อมานั้นก็แบ่งออกเป็นสองเหมือนกันท่านเรียกว่าวัตตะนิสิตะทานคือหมายความว่าการทําทานด้วยปรารถนา อะไรล่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะฮะหมายความว่าต้องการผลดีงามต่างๆที่อยู่ในสังสารวัติอย่างมากก็ปรารถนาไปแค่ไปแค่พรหมโล ก, ก น, นะเนี่เพราะว่าเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในวัฏจะพนธิทานจะตกแต่งพบชาติในปณีคขึ้น อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในในที่การคสูตรเนี่ยก็เป็นการพูดถึงฐานระดับวัดตะในพวกอะไรล่ะแสดงเรื่องรูมานแสดงเรื่องสวรรค์ต่างๆเนี่ยมันเป็นหนทางระดับที่คนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแล้วคนก็ชอบนะชอบชีวิตอย่างนี้จึงก็มีสิทธิ์เรียกชอบที่จริงของพระศาสนานี่ก็แสดงในรูปทางเลือก สุมเมธาดาบทซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่พอใจที่จะมุนมุนในทางสารวัตรท่านก็มองไปอีกระดับหนึ่งซึ่งก็คงอาศัยบันไดเดียวกันก็เคยพูดกับพวกบาทหลวงกคง็คิดนะฮะว่าจริงศาสนาแต่ละศาสนาในศาสดาท่านเป็นคนดีหรือคน แต่ปัญหามันก็มาอยู่ที่ศาสนิกซึ่งมือมันไม่ถึงใจไม่ถึงแล้วก็เข้าไม่ถึงสาระธรรที่แท้จริงนะของศาสนาของตัวเองที่จริงศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นี่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรได้เพราะโดยพื้นฐานนี่ก็คนไทยด้วยกันอยู่แล้วอยู่ในแผ่นดินเดียวกันแล้วเป็นคนไทยด้วยกันแล้วแล้วก็เป็นประสบมีกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันแล้ว ทำยังไงว่ามันเหมือนกับว่าเราขับรถไปทางถน น, นอีเซียศาสนาคริสต์ก็มุ่งไปที่นครสวรรค์พุทธนี่มุ่งไปที่กำแพงเพชรนะคือ น, นิพ า, ยยานพวกไงงั้นเนี่ยแต่ว่าเจ้าุูธเองก็ลงไปเรื่อยๆนะก็ไปถึงกำแพงเพชรก็ไม่กี่คนหรอก คนที่ไปนครสวรรค์เองก็ลงระวังทางไปเยอะเหมือนกันถึงนครสวรรค์ไม่กี่คนแต่ว่าสำคัญว่าเราก็ขับรถตามหลังกะไปได้เขียนคู่ไปไปได้แต่อย่าปาดอย่าแซงอย่าอย่าชนกันอย่าเฉียวกัน น, นั้นเด็กเรก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่ท่านก็เห็นด้วยนะพระาศาสนาโดยเฉพาะนักบวชเนี่ยครจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคม แล้วเป็นแบบฉบับในการอยู่ร่วมกันผลทานในแนวเนี่ยวัตตนิสิตาฐานเนี่ยคือทานที่ยังเกาะอิงต้องการความสุขในมนมุษสมบัติสวรรคสมบัติกับพรหมโลกพรหมโลกก็อยู่เป็นแบบสวรรค์เหมือนกันนะนะพอสังสารวัฏพวกนี้เขาเรียกว่าวัตถามีกุศลเป็นกุศลที่มุ่งผลอย่างนั้นน่ะ เราลองสังเกตว่าพื้นฐานนิสัยของคนเนี่ยจะสร้างสมบรมบา ร, รมีมาแตกต่างกันเราดูตัวอย่างถึงพระธรรอธินาเทรีในสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชนะคือสามีของท่านหลววิสาขาประสบเนี่ยบรรลุมะลเป็นพระนาคามีพระนาคามีท่านไม่เกี่ยวข้องทางเพศนะครับ มันํำลายการมราคะกับปฏิฆะได้หมดแล้วจะไม่มีความรู้สึกในทางเพศเพราะนั้นมาถึงถ้าก็มอบทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเลยใ ห, ให้ปัญญาหมดถ้าทำานังธรรมธินาเนี่ยแทนที่ท่านจะดีใจว่าโอ้โอโอสามีมอบทรัพย์สมบัติมาอ า, านให้ทั้งๆที่ว่าตอนนั้นถ้าก็เป็นสามัญชนนะ แต่ท่านก็บอกว่าท่านพูดอย่างนี้มันเหมือนกับท่านถมน้ําลายเลยจะให้ชันโอศรีสาไปรอมรับเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าว่าจะให้จริงๆก็อนุญาตให้ชั้นบวชในสํานักลึศูนย์เองสมบัตินี้ไม่เอาหรอกอยากจะขอบวชมีสาขาวาสุก็ดีใจนะรานาคามีนี่เมียขอบวกก็ดีใจอนะ่ะ แต่เลยก็นําไปบวชได้ไม่นานท่านก็บรรลุพระผลเป็นแบรนก็เหลือสามีไปก็มาเยี่ยมญาติวิสาขาบาโศกก็ไปสนทนาแบบเรียบเคียนสัจถามปัญหาท่านก็ต่อไปเรื่อยนะในภูมิสามัญชนในภูมิพระโสดาสกาิตากานาคาก็ตอบไปเรื่อยถามเลยภูมิมรหัตไปถึงภูมิมรหัตท่านก็บอกว่าบาโศกท่านเลยภูมิของท่านไปแล้ว ถามเกินภูมิไปแล้วนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้วัสนาบาบ ร, รมีคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมองด้วยความชื่นชมคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมองด้วยความรังเกียจ ด, ด้วยความเฉยเมยด้วยความขยะขยงต้องการจะหลีกหนีไป เพาะฉะนนเวลาทำบุญกุศลก็เหมือนกันนะพระเจ้าก็แสดงนะฮะบุญระดับมนุษสมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติก็เป็นทางเลือกให้ระดับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามนุษย์สมบัติจนถึงตรงเนี้มันก็เท่าไหร่ก็สามที่เจ็ดแล้วนะฮะไม่นับอบายอบายไม่ใช่บุญนะฮะอบายเป็นสี่เนี่ไม่ใช่บุญเพราะฉะานเหล่านี้ก็จะให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างกัน วันเวลาพูดอ น, นิสง์ทานพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในข้อสุดท้ายที่ว่าเบื่อหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์คือจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์วันคนพวกนี้ก็ทําทานเพื่อผลในระดับนี้ก็เป็นกุศลเจตนาแล้วเป็นความพอใจของท่านระดับนั้นก็ก็กดีนะฮะ ข้อต่อไปนั้นเขาเรียกว่าวิวัตตนิสิตฐานคือการทำทานโดยมาปรารถนาโภกสมบัติหรือภาวะสมบัติคือการอยู่ได้พบอะไรก็ตามนะคือถือว่าพบทั้งหมดแต่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เราพูดโธดสนะัต์ไปเนี่ยนะท่านปฏิบัติเพื่อทําลายชาติภพพูดง่ายๆนะทําลายชาติพพ คือไม่ต้องการให้มีชาติภพแต่ว่าชาติภพแต่มันเป็นผลมาจากกิเลสกับกรรมบานก็คือทํำลายกิเลสตัวภพนั้นบางที่ก็เป็นตัวกรรมเองเน่นะก็เรียวกว่ากรรมภพหลังขารภพนะพวนี้จะเกิดมองโลกมันเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหม้เราต้องการจะหนีออกมาจากเรือนที่ถูกไฟไหม้โดยตัวเองไม่ถูกทํำลายไปในไฟ ผลจิตใจก็ถ้าก็สูงส่งประนีเป็นพิเศษไม่ปรารถนาไรแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าให้ทานเนี่ยเป็นการให้ในแนวเป็นเครื่องประดับจิตให้ประนีขึ้นไม่ได้มุ่งผลแต่ถ้ามุ่งผลก็ น, นิพพานอะปัจโยโหตุอนาคตกะเกลเพื่อเป็นวิบินสายปัจจัยมรรคนิพพานในนาคตการเมือนาโน้นเถิด น, นิทิวย มันก็แบบพระศาสดพระพระเวสสันดรที่บริจาค ก, กัญหาชาลีนะแล้วตอนที่ท่านพูดกับกัญหาชาลีเนี่ยก็ให้กัญหาชาลีช่วยเหมือนกับเป็นสมภาทองที่จะนําพ่อไปสู่รมรรคผลนิพพานซึ่งก็จุดหนึ่งก็นํามาช่วยท่านทั้งสองด้วยนั่นแหละแต่ว่าท่านต้องไปให้ได้มาก่อนแล้วก็นํามาช่วยคนอืท่ทีหลัง นั้นก็ท่านก็ทำทานในแนวที่ไม่ใช่ไม่ใช่มองผลระดับรบชาติที่เป็นนิรเพียงอย่างเดียวเพราะการให้แบบประมัตถบรารมีทานเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่พระโพธิสัตว์กระโดดลงไปให้เป็นอาหารแก่เสือซึ่งกำลังหิวโหยในสมัยที่ตนเป็นฤาษี หรือว่าในสชาติที่เป็นกระต่ายแล้วก็กระโดดตัวเองลงในไฟให้ตายให้เป็นอาหารของสัตว์นึงมันใจไม่ธรรมดาแต่ก็นั้นก็คือหมายความว่าโลภะโทสะโมหะมันลดลงเยอะแล้วโดยเฉพาะโมหะมันขึ้นสู่กระแสสูงมากไม่ข้องเกี่ยวในในชาติในภพแต่ประการใดแต่ก็มุ่งผลสูงสุด ว่าในสำรับสามัญชน ท, ทั่วไปนะฮะมันก็มองในแนวของการสมเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นประการสำคัญส่วนการให้ทานแก่ธน บ, บําฑุพระศาสนาหรือว่าให้ทานแก่องค์รวมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยสราบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไอ้เรงที่จริงมาเป็นการให้เพื่อเรา เดลมา ก, ก็มาอยู่ที่วัดวอวานินานะก็สมัยสมเด็จพระสังฆราชรงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นประธารมอาวาหารเรารก็มองท่านด้วยความชื่นชมในบุญบา ร, รมีกันทันหรือคนรัถวายอะไรก็เยอะเลนะแล้วสร้างวัดได้เยอะแล้วท่านก็ให้มาก็เป็นทางผ่านไปเรื่อยเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นวัดว า, ารามต่างๆเป็นสาอาุปโภคเยอะไปหมด จนเวลาเนี้ยสร้างรวงพยาบาลต้องเท่าไหร่ล่ะเป้าหมายเนี่ยตั้งสิบเก้างนะฮะคือสกุลมาสร้างป็นายกเป็นที่เราลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรตัตนโกสินทร์ทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นองค์ที่สิบเก้าก็สร้างสิบเก้าหลังในส่วนต่างๆของประเทศตอนนี้รู้สึกขึ้นไปสิบกว่าแล้วนะนั่นก็หมายความว่าในทานคือผลของทานเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ ระดับอนุษย์สมบัติแล้วก็ระดับสวรรค์สมบัติต้นต้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยมากบนิภานคนที่ถวายก็มีโอกาสได้ทาบุญร่วมกันทาบุญร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมที่เป็นกุศลเพราะงั้นงานเหล่านี้ที่จริงในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเรียกร้องเชิญชวนชักชวนในกุศลสาธารณะกันไปดันมาก แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนัเนคื อ, อยังนึกถึงคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านบางแค่วันก่อนเนี่ยไปให้คนขนของไปให้ท่านก็มากกว่าสมควรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเอาก็จริงมันก็ใช้ไม่ได้เท่าไหร่ เพราะว่ามันมากยิงกับไปเจอคนมากกว่าของแล้วคนแก่ก็เ ด, ดร้อนลงไปทุกวันคือปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเพรสังคมมันก็แนวทานเนีย่ยแนวทานแบบอนุเคราะห์แบบสมเคราะห์แบบบูชาเนี่ยแล้วก็ยถาสติยถาพลังคือทำไปตามกาลังความสามารถอย่าไป ทำให้มากจนเดือดร้อนพระบุญจะต้องนึกถึงว่าผลต้องสุขก น, นะต้องมีความสุขมันไม่ใช่ว่าหลอกลวงชาวบ้านอยู่เรื่อยจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะได้อย่างโน้นนะแล้วตัวเองก็ได้เงินก่อนคนหนึ่งก็เคยได้ยินได้พบมาเล่าให้ฟังแต่มาเองก็ค่อนข้างชอบนะครับก็เป็นนายพลทหารตอนนั้นก็เป็นพลเอกเขานั่ง พอบินมาตำตำในฮอร์บินตำตำมาจากกองพลที่เก้าเมืองการจ่านวัดอะไรไม่ทราบมันรูหรามากเลยแต่ท่านก็เชีให้คนดูบอกว่าเนี่ยคณดูสิพระท่านสอนเราให้บริจาคทานใ ห, ให้ทานเพื่อจะบังเกิดในสวรรค์ในชาติหน้าแต่ท่านเองก็ลออสวรรค์ในชาตินี้เลยฟังแล้วก็ ก็น่าคิดเนี่ยนะแต่ถ้าเราคิดได้ลึกก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าจริงๆพระท่านเม่ไา้ทำเพื่อท่า น, ม, น, น, าานมันเป็นสาธารณูปโภควัดเนี่ยมันเป็นสาธารณาสถานเป็นสาสนณสถานเป็นบุญยะสถานแล้วก็เป็นภาคใช้งานเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคนะคือใช้สอยร่วมกันของคนทั้งหลายใครสมัครใจจะบวชมันก็มีสิธิจจอยู่ ในกุฏิทิฏาก็น่าสมใจให้แล้วก็พระว่าจะไปอยู่ในกุฏิใหญ่ๆ่นะฮะมันต้องงานนะนะยังจะมาเองตั้งแต่ปะเรียนี่ก็อยู่กุฏิหลังเดิมเลนะก็ไปได้ไปไหนตอนหนึ่งก็ตอนสมัยที่เป็นโสพลคณะพอดนะผู้ใหญ่ก็จะย้ายบอกว่าก็ไม่ต้องย้ายแล้วครับถ้าจะให้อยู่ก็ให้ผมอยู่ทั้งสองห้องก็แล้วกันเพราะว่านังสือที่มันเยอะในกุฏิเนี่ย ก็ไม่มีอะไรหลือเกินคือมันใสหนังสือนะฮะที่ทํางานต่างๆกระเกียรกับงานทั้งนั้นอ่ะพอถ้าคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าเราต้องทํารายการวิทยุเราก็พูดออกอากาศแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องเงียบอ่ะแต่ไม่เงียบเราก็พูดไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนวันก็สรุปว่าก็เป็นที่ทํางานแต่ก็ไม่ใช่ของเราอ่ะนะ พอตายแล้วมันก็กลายเป็นสมบัติของวัดเพราะนั้นในคำพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมันก็ฟังเพื่นๆได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดคือเรื่องบางทีเนี่ยมันการชวนชวนชักชวนบริจาคที่เกินความจำเป็นไปก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่นิทานอีกประเภทหนึ่งก็จะแน่ก็ไปเป็นสามระดับ ตามโครงสร้างของโลกบวดหลงหมายความว่าประกบตัวกันเลยเรเประเภทแรกวัตถุทานเน่ยเน้นไปที่การลดวันโลภเป็นหลักเพราะวัตถุที่เราให้ถ้าเรายัางโลภอย่างสนิทเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีมันมีอโมหะคือปัญญาเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วเอาพยทานเนี่ยไปตัวลดที่ความโกรธความมาฆาตพยาบาท การอภัยนั้นก็หนึ่งคือเขาทําอันตรายต่อเราเขาเบียดเบียนเขาปฏิทุสลายเขาสบประมาทเขาดา่าระบาดเราอะไรต่อไรเนี่ยเราก็อภัยแกเขาไม่ถือส า, าความอันนี้ก็แนวอภิญทา น, นแต่อภิญทานอย่างหนึ่งเนี่ยมีอาณาบริเวณที่เป็นอภัยทานะเช่นกำหนดป่าท่านสาธาชนก็คงได้ยินอิสิปัตนะมฤุกขายาวันที่ปัจติบันเรียกว่าสารนาดเนี่ยแปลว่าที่พึ่งแห่งกวาง น, นะ เมื่อก่อนที่เรียกว่าอิสิปตปตนาบริคธายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤษีมันเกิดจะตํานานสองตํำนาน 2, ตํำนานหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากฤษีที่เหาะมาในป่าที่เป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อนั่นแหละก็หมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใครจะฆ่าไม่ได้ฆ่าและผิดกฎหมายทางบ้านเมืองออกกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองสัตว์ป่า ต่บานเรานี่เล่นยากไปเกินนะนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะเป็นเมืองพูดแท้ๆเลยพูดจากันไม่รู้เรื่องมันหนักหนาะสาหัสกรรมจริงๆการศึกษาก็พัฒนากันการเผยแปรธรรมะก็ทำการก็ทำกันเหนื่อยนะอาตมาเองเนี่ยมันบวชมนันานสะี่สิบกว่าปีแล้วนะคือเราเห็นว่าพระเนี่ยทำงานหนักกว่าสมัยก่อนเยอะ ถ้าสมัยเดียด น, นี้ทำงานหนักกว่าทำไมก่อนเดยดแล้วก็ตุ่มเทเสียสลาดนะบางอ่งครอบครัวมีฐานะดีๆเขามอบอะไรให้ทา่ทานท่านก็ให้ขายมาช่วยเหลือสังคมทาเงียบเงียบเงียบพระที่ก็ก็เป็นแบบเงียบๆไปนะครับวันก่อนไปทารายการโทรทัศน์เขาก็าพูดแรงๆกันเยอะเลย น, ะนมาก็นั่งฟางนิ่งๆ อาจารย์เจิมศักดิ์ท่านบอกว่าผมฟังแล้วผมร้อนนะดูท่านเจ้าคุณแล้วก็นั่งเย็นแบบพูดอยู่เนี่ยผมร้อนนะเลยก็ท่านก็พูดตัวเองเยอะเลยนะออกมาก็ไม่ว่าอะไรก็เจ็บคออยู่ก็ไปอยา ก, กพูดคือเรื่องตรงนี้เรามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะไม่ให้มันเครียดคือเคร่งเครียดเินเกินไป อะไรอภัยได้ก็อภัยหยุดได้ก็หยุดเพราะถ้าเราไปผูกอาฆาตพยาบาทมันเราร้อนเองนะฮะคือโกรธคนอื่นที่จริงเราร้อนเนะี่ยมันก็เหมือนกับจับมีดจับไม้ที่มันเปื้อนสิ่งสกรปรกเพื่อตีคนอื่นเนี่ยตีถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เราเปื้อนแล้วแล้วมันได้อะไรขึ้นมา ก็ให้อภัยเนี่ยดีที่สุดอ่ะด่าว่ามาก็ว่าไปอยากจะว่าก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอามายังชอบใจพระอาจารย์สมภารพระราชาปัจจุบันจาคุณสุธรมารทิตปฏีดิษานานแล้วนะสี่สิบปีได้ท่างชาวบ้านนักเลงแบบนักเลงนะมาถก็ด่าว่าท่านเนี่ยท่านก็ตั้งหลักไม่ทำก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะ ท่านก็พยายามอธิบายแกไม่ยอมมอธิบายอ้าวไม่อธิบา ย, บายก็ไม่ต้องอธิบายเอาโยมด่าไปแล้วกันอาตมาไม่ต้องฉันข้าวหรอววันนี้คิดถอยฉันด่ากันเล็กๆท่านก็นั่งยิ้มเฉยโคดีด่าที่จนหอบเลยนัเหนื่อยท่านก็ไม่หวาดอะไรล้วก็ไม่ลงมาฉันจริงด้วยนะไมลงมาฉันจริงด้วยแต่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งประชารถิวาสเหมือนกันนะจะาคุณศาสนาโสพลปลอดอาตมานั่งอยู่ด้วยวะนะันนั้นนั่งนั่งฉันข้าว มีคนมาดา่าเรื่องเกี่ยวกับวัดโบนมงคลพระที่ถูกฆ่าตายนะะอุอ้ยเขด่าเยอะเลยท่านก็นั่งฟงังช้างข้าเเวเฉยเสร็จแล้วท่าก็ส่งส้มเกี๊ยวหวานเนี่ยให้จานหนึ่งเดี๋ยวกินส้มไะก่อนด่านานแล้วคอมันแห้งดีค่อยด่าใหม่คนมันก็เขินนะฮะคือด่านี่ถ้าเราไม่รับเลยมันไม่มีอะไรอ่ะนะมันเป็นลมเป็นแรงไปเฉย วันตอนนี้คือให้อภัยในกรณีกระทบเราแล้วก็พยายามปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาแล้วคนนี่ต้องมีจิตสานึกนะครับนว่าการจับปลาหน้าวัดการยิงสัตว์ในบริเวณต้องห้ามนี่มันเกินไปะนะอาตมาเคยไปที่อย่าพูดจังหวัดก็เลยน่าเกียดนะแบบรวมครูในสถาบันการศึกษาสมัยนั้นเขาเรียกวิทยาลัยครูนะ วิทยากรทั้งหลายมันลงหมดไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลยสักยิบหนึ่งนะพยายามเดินด้วยมันไปไหนหมดอ่ะป่าขึ้นเสียวไม่มีสัตว์อยู่แอลกระสิดถามก็ดูมันไปไหนหม ด, มมดอะ่ะเขาบอกว่านักศึกษายิงกินหมดเลยแม่ ใ, ใจขอบมันโหดร้ายจังเลยสัตว์เล็กๆ่ะอเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันดูไม่ได้เลยนะก็แสดงว่าม น, นุษย์มันก็โหดร้ายกมันขาดการอาภัย ขาดการอดล่างอดทนแล้วก็ไปโอจร์จังกับเรื่องคนอื่นมากเกิดไปอีกประการหนึ่งก็คือธรรมทานนะที่บอกเนะี่ยคือการให้ความรู้ให้เหตุผลให้สติปัญญาแก่บุคคลอื่นือทำยังไงจะให้เหตุผลที่ถูกต้องร่อบุคคลอื่นได้อันนี้ก็ต้องมีความ รู้มีความเข้าใจนะคือธรรมะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันต้องยุติได้นะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่ไหนเทียมาพูดในทยอมถาง ม, มาบอกได้นะแต่ว่ามันไม่ไปอธิบายแบบยกบาลีล้วนๆมามันน่าเกลียดมันฟางยากนะแต่ถามพระเจ้าทรงแสดงไว้ที่ไหนเราจะบอกให้ไดนะ้แล้วเคยสั่งสอนลูกศิษย์เตือนลูกศิษย์ยังไง บอกคุณผู้ภาษาเรานี่แหละผู้ภาษาไทยนี่แหละสื่อสารให้เขาได้ยกกรลัก้อนอะไรมาก็ได้แต่ว่าเมื่อเขาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใครทิดไหนใจความว่าอย่างไงเนี่ยเราก็พูดได้ตรงนี้คือธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามันเป็นขจัดโมหะของเราและขจัดโมหะของผู้ฟังโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายชา้าเพราะงั้นมันเป็นบุญประเภทขจัดโมหะแล้วก็สุดยอดของบุญเนี่ยนะ กอล่าตัว่ามีพระสองรูปนั่งสนทนาธรร ม, มา ก, กันสนทนากันไปสนธรรมากันมาบรรลุโสดาทั้งคู่เลยนั่นก็คืออะไรก็คือมาขาจัดโมหะด้วยกันก็ช่วยกันขจัดแล้วก็เสร็จแล้วก็บรรลุพางผลเป็นโสดาบันด้วยกันทั้งฝั่งทลายและการใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเินเทอานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี